วันนี้เราโชคดีที่มีพระเรวผู้ใหญ่มาเยี่ยมค่ายฝึกอบลงปฏิวัติธรรมเข้มประจำปี2555หลวงพว่อบุญธรรมเป็นเจ้าของตาที่เองกับพี่ลูกน้องกัน เลยมาบุกเบิกที่นี่ขั้งแรกแล้วท่านก็เลยลงไปอยู่บ้านเผยแผ่ธรรมะที่โนู้นน้องสาก็ตกข้างอยู่นี่ผู้ให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติไอ้หลวงพ่อจะมีโอกาส เพิ่มเติมขี้แจ้งอะไรให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อได้น้อมไปปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางจากสะดวกสบายท่านก็บประสบการณ์ในการปฏิบัติทำมาช้านานหลวงของหน่ ว, นวยนลวงพ่อเด้แสดงธรรมในโอกาสนี้ ขอถวายความเคารพพระเทลานุทละเพื่อนสะธรรมิ ก, กเจริญในธรรมญาติโยมพุทธา ม, มากะ บ, บุริสัตผู้ ข, ขับไปาชาชนนักศึกษาทุท่นันนั่งฟังธรรมดามปีนี้ในระหว่างไปช่วยงาน ทำหัวแดงทางทัพมิ่งขวัญก็จัดขึ้นมาเดี๋ย ว, ว่าไม่ได้ไปเริ่มต้นที่นั่นหรอกเพราะว่าช่วยงานทางทำหัวแดงเสร็จก็ไปเห็นกรรมฐานได้หลายแห่งเห็นสำนักอาจารย์ธรรมชาโยนี่จำนวนมากมาย ผู้คนหลายพระผู้เดินจงกลก็เลื่อนแสนนั่นแหละจัดระเบียบเป็นแถวสวยงามเปิดระยะห่างไกลกันไม่ได้มันพระมากเดินทีๆกันเหมือนพระบินาบานั่นแหละแต่ไปทางมือเลยไปดูกลุ่มของพวกเรา เพราะว่าไม่ได้ไปเริ่มต้นมาจากบูฮมเป็นระยะทางหกสิบห้ากมมาถึงทัดมิ่งขันหลวงพ่อไปเริ่มมาจากเชียงคานหกสบหก้ากมท่านก็ถามถึงความกล้าสามารถความในใจของผู้ประพฤติรมเราจะเอาอย่างอย่างไหนดี เดินอุกฤษก็ว่าไปกันล่ะหลวงพ่อไปเห็นวันนั้นเป็นเห็นจำนวนทหารก็เยอะเดี๋ยวทหารทางภาคอีสานเราก็ไม่เหมือนทหารทางภาคใต้เขาถือปืนครบั้งร้อยนายนู่นแหละเด็กก็ไม่ได้ไปพิทักษ รักษาพระเหมือนอย่างทางภาคใต้ก็โดยความเคารพแต่ระเบียบของทางเขาต้องถือปืนอยู่นั่นแหละเห็นอาจารย์ทำไมบอกว่าก็ก็พูดถึงแบบอุกิยอยู่น่าหลวงพ่อก็ดีถูกอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราดูสิ่งแวดล้อมเมืองเลยนี่เป็นเมืองทะเลภูเขาทางเดินจจกงของทาง เดินจูง ก, กลมของผู้เปิดพืชทรมันต้องโคดเคี้ยววกว น, นขึ้นขึ้นลงลงเวลาขึ้นก็ใช้พลังถีบใช้พลังยนันเวลาลงก็ระวังหัวจกักระมินเดินตามถนนลาดยางก็จริงแต่ว่าทางมันอันตรายมันขัดกับหลักหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านผู้ธรรมะบางครั้งก็อุปมา ก, กับ เครื่องมือทํางานของชาวบ้านภาคอีสานเห็นหลวงพ่อเตี้ยท่านพูว่าลูกขันลูกมีศีลเวทนาขันเวทนามีศีลสัญญาขันสัญญามีศีลสังขารขันสังขามีศีลวิญญาณขันวิญญาณมีศีลท่านก็ามาแยกแปลว่าขันนี่เขาแปลว่าทีคงจะอธิบายถึงฟืม พอผ้าของภาคอีสานเรานั่นแหละเขาว่าฟืมนซาวห้าขันดีเนื้อทีผ้าไหมที่ทอจ า, า, าออดผืนออกมาตัดออกมาจากห่อผ้อาอเอาผ้าผืนนั้นหอน้าได้ทันวานี้มันที แล้วที่นี่ผู้ดเดินจ ก, กมก็พูดกระจางทมไมวะเราเดินจากบุโฮมเดินตามทางแต่ริมทางมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกบางคนเขากินเครื่องดื่มกินเอ็ม้อยจกินแรงเยอะกินเบียร์กินวายของเขาเขาก็กว่างควัดใส่ริมถนนนะั่นแหละใส่ฟูตบาทแตกกระจายไป ผู้เดินจงกรมอย่างอุกติไม่สวมรองเท้าควจะอันตรายนี่เราจะดูรูปขันไม่ทั่วเพราะว่าผู้เดินจงกรมนี่มีครูมีอาจารย์ตักเตือนว่าอนาคตอย่าไปคิดอดีตช่างมันปัจจุบันทำให้ดีจิตใจของผู้ประพฤติรมในขณะนั้นต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าส่งไปทางอนาคตทางอดีตที่ผ่านมาแล้ว ร ว, วมให้เห็นเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันถ้าเราจัดการให้สวยสุดงดงามเป็นรูปแบบดูได้ใครมาเห็นก็เกิดความเรื่อมใสศรัทธาอดไม่ได้ที่จะพูดสรรเสริญเจริญคุณแซ่ซ่องสาธุการเพราะว่าเดินโยงงก ว, งกวเดินบนผ้าพรมริมสองฝั่ง ไม่รู้ว่าเขาจะดอกไม้อะไรมีแต่สวยๆงามๆกลิ่นตลบหอมคุ้งไปหมดนั่นเลยป่วยเข้าไปให้เหยียบให้ยําเดินอยู่บนผืนผมแล้วก็ยังไม่พอต้องเดินเหยียบยําดอกไม้สวยๆงามที่เขามาป่วยให้อาจจะลุ่มหลงนั่นแหละเพราะว่าวัตถุที่เป็นอารมณ์ของกามาคุณทั้งนั้นสวยๆงามงาม เคยถามหลวงพ่อจันทาท่านเป็นพระเคยออกนอกไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้หลวงพ่อก็ทําว่าโอ้ยเพื่อนๆที่ไปเมืองนอกก็ไม่มาคุยได้อะไรดีๆก็ไม่มาพูดให้ฟังสักทีหลวงพ่อจะทาไปเมืองนอกได้อะไรดีๆมาพูดให้ฟังบ้างไปเลยอ่อยากจะฟังอยู่เลยหลวงพ่อโอ้ก็อยากจะฟังอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่มีโอกาสไปเหมือนพวกเพื่อนเขา เออจะพูดยอ่อๆให้หลวงพ่อฟังในที่ประชุมนั่นแหละท่านก็ว่าไปอินเดียเกิดปัญญาน่าหลวงพอ่อไปอเมริกาได้ความหลงไปฮ่องกงได้ความโลภไปยุโรปได้ระเบียบเขาว่าท่านก็ขยายความนาไปอินเดียทำไมจึงเกิดปัญญามันไปเจอของจริง เพราะว่าอินเดียเขาก็อย่างนั่นแหละบขอสอรถนี่เขาไม่มีห้องน้าไม่มีท่วมถ่ายหรอกใครอยากจะถ่ายแล้วไปเห็นคนนั่งถ่ายนี่เราต้องหลบสายตาบางคนเขาก็นั่งหันหน้าเข้าหาต้นไม้ใหญ่ๆหมุนตูดออกมาหาเราบางทีเขาก็นั่ง ต้ไม้ใหญ่เมื่อกล่าหันหน้าออกมาหาเราเราต้องหลกสายตาไม่เมืองไทยไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราผู้คนเขาแต่งตัวสวยสดงดงามด้วยเสื้อผ้าอาภรคิดสวย ๆ, ๆงามๆทั้งนั้นยิ่งเขานุ่งนุ่งห่มดีรักษาชวิตผิวพรรณด้วยการปกปิดมิดเม้นแล้วก็ยิ่งอยากจะเห็นแต่ประเทศอินเดียเขาเปิดให้เห็นจริงๆแล้วก็ไม่ ก้าดูไม่ก้าประสบสายตาโอกาสเกิดปัญญามันจึงมีเพราะเขาเปิดของจริงให้ดูไปอินเดียเขาเกิดปัญญาไปอเมริกาเ อ, อ, อเมริกานี่มันเป็นประเทศใหญ่ที่เขาพัฒนาแล้วเสร็จไปดูที่ไหนที่ไหนสวยทั้งนั้นป่าชาินี่จะไม่ปราควดเป็นป่าชาหรอกลูกพอ่อมันเป็น สถานท่องเที่ยวมีเขาจ้างคนมาดูแลรักษารักษาอย่างดีปูต้นไม้สวยสะพังไปหมดนั่นแหละไม่ไม่เหมือนป่าชา้าอะไรอะไรก็สวยก็งามเป็นประเทศเป็นเมืองที่พัฒนาเสร็จคนจริงไปรุ่มหลงในความสวยความงามไปฮ่องกลงอล่ะโอ้ยเมืองฮ่องกง จิมบอลที่เขาหิวที่เขาตะพายมีแต่จิมวอลเงินนะเขาไปเล่นกันนานๆเลยไปฮ่องกงได้ความโลบไปยุโรปล่ะยุโรปเขาเป็นคนมีระเบียบเวลาทำงานแปดมงก็ขึ้นแล้วเวลาเลิกก็เลิกพร้อมกันไปเลยวันหนึ่งถ้าทำงานแปดชั่วโมงก็แป่จริงๆไม่คาถูกบกพ้องหรอกเขา และที่นี่เลยหันมาดูความเป็นระเบียบของพระเดินจุกลมในกลุ่มของอาจารย์ธรรมชายโยจำนวนแสนองค์เปืดระยะไกลๆเดินทางบนบนพรมบนดอกไม้ดอกไม้ที่เข้ามาปูให้พระเดินยังมีคนมาเก็บออกไปอีกซื้อออกไปไปเผาทำเป็นฝุ่นเผื่อเผื่อเอาไปปั่นพระปั่นเครื่องรางของขลังไปอย่างนั้นเลย ถ้ามาเปรียบเทียบกับกลุ่มของพวกเราเดินทางจากบุหมาหลวงพ่อก็วันหลังหลวงพ่อไปไปเป็นต้นขบวนเดินเดียวว่าผู้เป็นต้นขบวนต้องไปพูดตั้งแต่เชา้าออกเดินแต่เช้านั่นแหละวันนี้ต้องระวังให้ดีๆหน่อยนะอย่าให้รูป ขันลูกมีสินิมวานนี้เจอแล้วไปเหยียบเศษแก้วเดือดตกอย่างออกก็ไม่เรียบร้อยนะ่ะลูกไม่เรียบร้อยลูกไม่มีสินถ้าจะเดือนต่อไปโดยไม่รีบจัดการเอาออกเศษแก้วไม่มันไม่เหมือนน้ามันมีโอกาสขยับขยื่นขยับขยือนไปเรื่อยๆปากลึกเข้าไปแทงลึกเข้าไปเข้าไปในเนื้อในหนังของเราลึกเข้าไปนะต้องรีบจัดการ เนี่ยรูปขันรูปไม่มีศีลเวทนามันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเลยเวทนาเป็นเรื่องจิบเรื่องปวดขึ้นมาสัญญาเราก็จำได้ถ้าเราไม่รีบเอาออกโอกาสเป็นปาทิยะก็มีมันมันหลายเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำให้ผู้เดินจงกรมระวังไม่เลียว้ายเลียกว่าเรียวแลกว่าเท่าไหร่ ก็มีโอกาสพูดต่อไปในส่วนที่มันละเอียดว่าเราก็มีอาหารบางอย่างที่เรากินได้โดยไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการนั่งเป็นระเบียบไม่เหมือนอาหารกายอาหารใจผู้ประพฤติทำต้องมากินอาหารใจร่วมกับพระสงฆ์นั่นแหละอาหารใจเป็นอาหารพิเศษไม่มีภาชนะใส่ ไม่มีถ้วยไม่มีชามไม่มีทัพีช้อนอะไรไม่มีไม่มีเพราะกัวแม่กรัวทำให้เราอาหารใจนี่เราต้องกินเองเราก็ต้องหันไปดูบทสวดของเราที่นำมาสวดว่าพิคู่นังสิขาซาคีวสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิขาและทาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตสิขาเราก็คงไม่ลืมหรอกเพราะว่าเราเราเรียนปริยัติมา อยากขอให้ผู้ประพฤติธรรมอย่าขึ้นว่าศิลอย่าเอ่ยถึงคําว่าศินสิขาสามของผู้ประพฤติธรรมต้องพูดว่าสติสมาธิปัญญาเพราะอยากจะให้ผู้ประพฤติธรรมหรือญาติธรรมทุกท่านเข้าใจว่าสตินี่เป็นศินเป็นอริยการตศสินเป็นสนิไปจากข้าศึก เพราะว่าสตินี่จะต้องเห็นก่อนใครเห็นอะไรเห็นอิทธาลมเห็นอนิธาลมเห็นความโกรธเกลียดเกียดกุณเห็นสุขเห็นทุกสติเป็นคนเห็นพอเห็นแล้วจิตเป็นธาตุหรือเป็นไทยเสียปกติหรืออย่างไรสติเห็นเพราะว่าเขาทำงานทีมเดียวกันสติก็เขี่ยลูกให้ปัญญาไปเลย ปัญญาเป็นผู้จัดการเพราะว่าปัญญ า, าต้องว่ามหาสติเสียไปหาอธิปัญญาเลยแหละอธิปัญญาเป็นผู้ถลุงที่นี่เอาพิษสงออกถอนความพอใจและความไม่พอใจมันจึงมันจึงถึงบทลงตัวถอนอกหมดถอนอย่างสินส้นซากนั่นแหละ เพราะว่าปัญญานี่เป็นผู้หอบลูกในสังขารพอมหาสติเขีย่ยลูกมาให้กว่าทำงานต่อถอนออกจนลงถึงบทเตสังบูปสมูสุขูความที่เข้าไประงับดับเสียซึ่งสังขารถ้าถอนออกไม่บทหมดรักษากจิตใจไม่เกลี้ยงแล้วก็อย่าไปว่าแรงเพราะว่าสังขารถ้าถอนไม่หมดนี่มันจะไม่ ถึงความเป็นอภิสังขารมันจะไม่ถึงความเป็นวิสังขารเขาถอนออกนะอาตาปีสัมปัญโนสติมาวินัยยโลเกีอะปิชาโธมนาสังมีความเพียเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจมันไม่ใช่วัตถุมันก็ไม่ได้เอามือถอนเหมือนเราเหมือนเราไปถอนอยาถอนเกลือในไรมันสำปะหลังในไรอ้อย ไม่ได้ใช้แวกใช้เสียมใช้จอบพวกนั้นจงเอาเสียมโซกโซกเข้าไปแวกขูดๆูดจอบก็ถากถา ก, ถากเอามือล้ามือฉุดกระชากมือดึงถ่าถอนเคือถอนเถาถอนความพอใจและความไม่พอใจนี่พอสติเคลียมาสติเห็นกวนแ ล, ล้วล่ะสติเห็นทุกเรื่องเห็นอารมณ์มันกบดขึ้นมาเห็นธรรมอารม พอเห็นแล้วก็ส่งลูกไปหาปัญญาปัญญาก็จาัด ก, การถลุงเอาพิสฉงออกเอาออกหมดหมดจนเป็นวิสังขารนั่นแหละที่เขาแปลว่ารู้สื่อสื่อรู้สื่อสื่อรู้ซื่อื่อมันไม่เหลือความโกรธเหยียดแต่หิดแต่หิดเหลือนิดเดียวก็ไม่เหลือนั่นะมันจริงออกคำแปลมาว่าว่ารู้สื่อสื่อนะผู้ทํางาน อยู่ในระหว่างนั้นมันมีไม่ใช่ว่าสติทํางานเพียงคนเดียวสติเป็นผู้ลูกเฉยๆปัญญานี่เป็นผู้จัด ก, การกับการปรุงปรุงโกรธปรุงเกลียดปรุงเครียดคุณปรุงเป็นอารมณ์ชุนเฉียวนี่ปัญญาถอนออกถอนความพอใจและความไม่พอใจคือเพียงเห็นนั่นแหละเพราะว่าสตินี่มันไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามีลูกลูกของมนุษย์เรามีลูกชายลูกหญิง มหาสติเป็นมารดาแห่งธรรมทั้งหลายแต่ ว, ว่าลูกของมหาสติก็คือทำประเพียกเครื่องมือเช่นฮิริโอตปะเช่นขันติโสรัจจะอย่างนี้มันเป็นเครื่องมือแม่ก็ไม่ได้ขอร้องเหมือนอย่างลูกมนุษย์ถ้ามนุษย์เรานี่แม่ออจะอาจจะบอกว่าออวันนี้มีงานลดนมือลูกช่วยงานหน่อยนะอย่าเพิ่งไปไหนอาจจะขออ่อนบอนขอร้องกับพวกลูกลูก เดี๋มหาสตินี่เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์แล้วถ้าเราเกิดแต ง, งิดแต ง, งิดเราทํำท่าจะไม่เป็นคนแฉลาดคนที่มาพูดอะไรเกินเกินหน่อยล่วงเกินหน่อยแล้วไม่พอใจในคําพูดเห็นเขามาตำหนิว่าพากันทําอะไรล่ะยกไม้ยกมือทําอะไรสะเบิบสะบาบเขาว่าอาจจะไม่พอใจกับคำพูดของเขา เห็นไม่พอใจอาจจะอายอายตัวเองฮิลิความละอายอายอ้กูนี่ถ้าไปขึ้นเสียงโถกเถียงกับเด็กรุ่นลูกลูกกูก็ประพฤติมาตั้งหลายปีคนอื่นเขาจะดูถูกเขาเจอว่าอะไรตั ว, วนี่ฮิลิมันโอตบะก็กลัวเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี่เขาจะดูถูกอย่างไงฮิลิโอตบะวิ่งเข้ามาช่วย รู้จักดึงออกขันติมามาใช้งานอีกขันติที่เราเรือว่าขันติปรมังตโปตีติค่ขันติคือความอดกลั้นเป็นดำเครื่องผพกิเลสพอขันติมาอากับจิยาสีหน้าท่าทางก็ไม่เปลี่ยนยังมียังเป็นคนแสดงโศลจัเรีจจงเง่ยมงามอยู่บนใบหน้าไม่แสดงท่าทางของความโกรธเกลียดออกมา ทำระดับเครื่องมือเขานั่งอยู่ใกล้ๆกับแม่เพราะว่ามหาสติเป็นแม่ดังนั้นผู้จินสิขาทั้งหลายจึงไม่อยากจะให้เอ่ยขึ้นต้นว่าสินสมาธิปัญญาเพราะจะเข้าใจเห็นสินสังคมเห่นสินห้าสินแปสินสิบสินสองร้อยี่สิบเินพวกนี้ยังไม่ไม่ไม่ใช่อริยการแต่สินสินสองรอยี่บเกตจำนวนมากๆยังทำให้พระต้องเข้าปริวาสเพื่อ ออกจากอาบัตสังขารที่เสียอย่างนี้เป็นต้นสินคือสตินี่เขาเรียกอรเรียกการเจตสินสินไปจากขคาสิกสินตัวเดียวนี้แหละเพราะฉะนั้นเราผู้กินสิขาในบทสวดที่เราสวดประกอบเวลาทําวาดนี่พี่คู่นางสิขาสราบขีวาสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิขาและทําเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสษุนทั้งหลายนี่กินสิขาสามนี่สติสมาธิปัญญาเราไม่ได้เอาใส่ถ้วย มันเป็นอาหารพิเศษเออไม่มีถ้วยไม่มีช้อนจะต้องสดอย่างไัไม่มีใครมาเป็นพ่อครัวแม่ครัวให้อาหารกายนี่ถ้าเราเคี่ยวรายละเอียดกืนเข้าไปเอาคําที่สองเขาเอาคําที่สามเข้ามากืนเคี่ยวยังไมละเอียดกืนเอากืนเอามันก็อาจจะติดคอขอน้ําจากพวกรู้เออแม่ขอน้ําสักแก้วน้อยอาหารติดคอเนี่ย ถ้าอาหารใจมันจะไม่ติดคอเขาเรียกว่าอารมณ์ค้างข้างมากี่วันเขาว่ามาแล้วยังลืมไม่ลงยังปลงไม่ตกไม่รู้จักถอนความพอใจถอนความไม่พอใจมันจะต้องถอนออกหมดนะถ้าเขามาพูดสรรเสริญเจริญคุณยกยอปบอบปัน้นเช่นเขามาเห็นเขาเกิดความเรื่องใส่โอ้ยไปเห็นป่าสุขตูเลื่อมหน้าเลื่อมใสยจริงจริงไม่เห็นผู้ประพฤติธรรม คุยกันขมมโมงฉงเฉงจับกลุ่มพูดนอกเรื่องก็ไม่มีเลยตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมตั้งหน้าตั้งตาสร้างจังหวะจะเกิดปัญญากันจริงๆนั่นแหละท้าอดอนุโมทนาด้วยไม่ได้เขาก็เห็นดีเห็นงามแช่ส่องสาธุการกับการประพฤติกระทำของเราเราก็ดีใจจิตเ อ, อิบอาบสาบสารหน้าชื่นตาบานยิ้มยองผ่องใสเราจะไม่ถอนก็ไม่ได้อีหละ่ะเขาให้ถอนทั้ง ความพอใจและความไม่พอใจถอนทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละถ้าเราไม่ถอนเราก็ไม่รู้จักความเป็นธาตุความเป็นไทยถ้าความเป็นไทยนี่มันไม่มีงานทำอย่างมหาสติเห็นอะไรต่ออะไรอธิบัญญาก็เข้ามาทะลุงจนลงสู่บทเตสังวูปสมุสุโคเกิดสงบสงบจริงจริงนี่มันไม่ ไม่ใช่สังขารล่ะเป็นอะไรเป็นวิสังขารถ้าเราทําใจไม่เป็นก็อย่าไปสวดแรงสวดวิสังขารที่เราสวดว่าวิสัะกขาราคตังกิตรังตันห่านังขยามัจจค่ากิจของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตานาถ้าถอดออกหมดหมดนั่นแหละที่ว่าที่แปลว่ารู้เฉยเฉยรู้ซื่อซื่อมันไม่เหลือความตันจิตตันิดข้างอยู่ อารมณ์ไม่มีค้างอยู่อาหารใจกับอาหารกายมันต่างกันอาหารกายถ้ามันติดคอแล้วก็ขอน้อําอกลืนกลัวเข้าไปแก้วหนึ่งสองแก้วส่วนอาหารใจนี่มันค้างเขาไม่ใช้คําว่าติดคออเจ ม, มานันถ้าก็อยยังพูดอยู่ถ้าใครอยากจะอยากถึงนิพพานไม่ใช่ปรับปรุงแต่เรื่องวัตถุเรื่องรูปธรรม รูปธรรมมันมีรูปหยาบรูปละเอียดเช่นรูปหยาบอย่างเรือนร่างของเราเขาเขาเรียกมหาภูต์แต่รูปมันนี่รูปละเอียดละเอียดเช่นเสียงก็เป็นรูปมีพระครูโอหนึ่งเคยเคยแยงกับหลวงพอ่อเขาว่าเสียงก็ดีกลินก็ดีรสก็ดีเป็นนามเอาเป็นนามยังไงท่านพระครูมันเป็นรูปนั่นแหละอย่าเข้าใจว่าเป็นนาม เขายังดันว่าปปเป็นนามหลวงพ่อก็ยังดันเขาว่าเอาเป็นลูกโยลูกมีใครจับได้ล่ะเขายังต่อ ว, ว่ากับเราอีกถ้าจับไม่ได้เราจะได้ฟังบรรพบุรุษหรือพระผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ที่ล้มหายตายจากหลวงพ่อพุทธทาสก็มรณภาพไปแล้วหลวงพ่อชาวัดป่าพงก็มรณะไปแล้ว หลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อเทียนของเราก็มรณะไปแล้วแต่เสียงของท่านเหล่านี้ก็ยังเหลืออยู่นะเขาเรียกอุ ป, ปาทายลูรูปอาศัยในเมื่อเลือนร่างของท่านมรณะไปแล้วตายไปแล้วก็เอาไฟเผาเป็นเถาเป็นดินเป็นเถาไปแล้วเป็นดินเป็นยาไปแล้วแต่เสียงของท่านก็มาหลบอยู่ในมหาภูตะลูกสี่เหลี่ยม มหาพูแต่รูปสามเหลี่ยมพวกสี่เหลี่ยมก็คงจะเป็นตลับเทพนั่นแหละพวกสามเหลี่ยมก็คงจะเป็นแผ่นซีดีนั่นแหละเป็นมหาพูแต่รูปส่วนเสียงของท่านเหล่านั้นก็ยังเป็นอุปาทฐายรูปเช่นเคยนั่นแหละนี่เขาจับเอาไว้ด้วยคือมือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเอามือจับถ้าเป็นปรมัติ์เป็นนามธรรมจริงๆไม่มีอะไรจะจับเขาได้หรอกมันมันละเอียดจนไม่มีอะไรจะจับ นี่ลองลองลองคิดดูถ้าเราเพลินกับความสวยงามอย่างการเดินจงกรมชนิดที่อุกิจนี่พูดพูดคุยกับจานขมายบอกว่าเออระวังเอามาใช้หมวดนั่นแหละถ้าโอกาสมันดีสิ่งแวดล้อมเป็นน่าจะเอาอุกิก็อุกิจย่อนบงังบางขณะ ดเดี๋ยวนี่ถ้าดูทีวีเดินมาถึงอุตรดิตนี่ท่าป่านี่จำนวนพระจะถึงแสนหรือเปล่าไม่รู้พูเดินจงกลมเรามาเห็นที่อยู่ก็จากที่นี่ไปสี่สิบสองปีแล้วตั้งแต่ปีสองพัหาร้อยยี่สิบสองแล้วก็กลับมาที่นี่มันเปลี่ยนสภาพไปหมด ไปสี่สิบสองปีมาอยู่ที่นี่สิบสองปีช้างตายสิบสามตัวตายทุกปีตายทุกปีตายปีละตัวตายปีละตัวตายปีละตั ว, ต ป, ตวปีสุดท้ายปีที่จะลงภูเขานี่ตายสองตัวเลยเป็นช้างตายสิบสามตัวมาอยู่สิบสองปีเมื่อก่อนนี่เห็ดโอ้ยมุม ทางจะไปข้ามสะพานสะพานเอาขอนยางเป็นสะพานและรถไต่ขอนยางเห็ดมันปูนี่ไม่เหมือนเห็ดมันปูโค้งข้างล่างมันดอกใหญ่เหมือนเห็ดหูหนูมันหอมมากเวลาเอาเห็ดมันปูมาแจงนี่ต้องต้มน้าเดือดเดือดเอาเกลือใส่หม้อซะหน่อยเขาเขาอยากจะให้เอากลิ่นหอมมันออก พอเทน้ำออกจึงมาจัดแกงแต่ ว, ว่าเหตุมันมันเยอะมาแต่ะตและเห็ดละงกเห็ดอะไรนี่ทีพวกเรายิ่งมาจัดแกงแบบนี้โอ้ยิ่งเป็นป่าเห็ดแลวที่นี่หลวงพ่อท่านพานั่งรถลอบๆดูว่านี่ไปได้มตดกาจัดมาจากเมืองเหนือ จะบอกให้ขีน้อยเพราะดูไปเห็นต้นกำจัดหลวงพ่อท่านบอกว่านี่กำจัดต้นหนึ่งต้นกำจัดแต่ภาษาอีสารเราเรียกมันผักแทนต้นมันเหมือนมีก้านเหมือนสะเดาแต่ว่าดูลูบขนๆต้นมีน้ำก้านมีน้ำแต่ว่าใบหอมเหมือนผักกรูดลูกของมันลูกเล็กๆเป็นพวงเหมือนต้นเข้าเมาพุ่มนะแต่ว่าเขาเก็บ ต่อเมื่อมันแก่เพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศเขามาปุ่นเป็นเครื่องปรุงอาหารในตลาดนะเครื่องเทศดี ด, ดีเห็นเห็นต้นหนึ่งนั่งรถไปทันขี้บอกมันอยู่้ายมือแต่ ว, ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรอกกำแพงมันก็ล้มเป็นแหงๆเอาขึงลวดไว้แทนต้นไม้ก็สวยงาม เดินเดินไปสบายไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันมีเครือมีเถาเยอะแยะพวกโยมมาอยู่นี่มันสบายแดด ก, ก็ไม่แผดเผาขอให้ผู้ประพฤติรม ท, ทุกท่านพยายามทำด้วยความตั้งใจสิ่งแวดล้อมเราก็ดีๆไม่ยากไม่ลำบากสามสิบวันสี่สิวัน ประเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่หลวงพ่อมาดูนี่ก็ภูมิใจดีใจด้วยเพราะว่ากำลังทำกติพวกพยาบาลเขาเอาจางมาให้ก็เลยทำกติเพื่อพวกผู้หญิงที่กำลังทำอยู่ดังนั้นวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรยาวหรอกก็ขอยุติการบรรยายทำให้ญาติธรรมฟังว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสวัสดี ขอให้ผู้ประพฤติธรรมทุกท่านรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจและกับเดินทางด้วยการประพฤติธรรมเจริญหรือบำเพ็ญเพียรทางจิตเผื่อถึงนิพพานให้สมปารธนากาันทุกท่านเถอน